อาจารย์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอาจารย์ไหนหมายถึงอาจารย์พระอนุรุท ธ, ธาจารย์อนุรุท ธ, ธาจารย์คือคนที่แต่งอภิธรรมสังหะองค์นี้เนี่ยชื่อว่าสุมังคลาจารย์องค์ที่ที่กำลังเรากําลังเอาของท่านมาเรียนเนี่ยนะองค์นี้ชื่อว่าสุมังคลาจารย์สุมังคลาจารย์เนี่ยท่านอธิบายคัมภีร์ของพระอนุรุทธาจารย์อนุรุทธาาจารย์นี่เอาของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะ ปะท้วงว่ามีนักปะท้วงอีกถ้าเช่นนั้นการบัญญัติว่ารูปในพรหมโลกจะมีอย่างไรเพราะในพรหมโลกนั้นไม่มีวิโรธที่ปัจจัยมีเย็นเป็นต้นเป็นเครื่องเบียดเบียนไอ้รูปประพรมมันจะเป็นรูปได้อย่างไรถ้าไปแปลว่าเสียหายเพราะเย็นร้อนเป็นต้นนะน ะ, ฉะเฉลยว่าแม้ปัจจัยที่เบียดเบียนสริระไม่มีก็จริงถึงอย่างนั้นก็มีปัจจัยที่คำชูสรีระ นะพรมเนี่ยปัจจัยที่จะไปเบียดเบียนสรีระให้พรมไม่มีมีแต่ปัจจัยที่ค้ำชูเฉยๆเพราะฉะนั้นความแปรผันในพรมมโลกย่อมมีด้วยอำนาจแห่งปัจจัยที่ค้ำชูนั้นพรมมาโลกเนี่ยนะเวลาไปเกิดในพรมเนี่ยเช่นมีอยยุคห้าร้อยมหากับไม่มีใครไปทําลายเหมือนกันไม่มีใครไปฆ่าหรอกแต่ถ้าหมดบุญอ่ะนะก็เรียกว่าปัจจัยค้ำชูคือบุญเนี่ยนะถ้าหมดบุญอ่ะก็รูปกะหมดเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งโวหารว่ารูปในพรหมโลกนั้นแม้ไม่มีปัจจัยเบียดเบียนสรีระก็จริงแต่ไม่พ้นสภาพแห่งความแปรผันนั้นๆนะท่านก็บอกโอ้พอละพูดอะไรมากมายชักช้าอย่างนั้นนะตัดประเด็นไปเลยนะก็ให้รู้ว่าจําไว้ตามพุทธพจน์นี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายที่ชื่อว่ารูปรูปเพราะอัฏฐาว่าแปรผันแปรผันเพราะอะไรเพราะเยน็นเพราะร้อนเพราะหิวเพราะกระหายหรือสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงเป็นแดด เป็นต้นนี่แหละชื่อว่ารูปบางันเออจำไหมอย่างงี้แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างงี้ไปคิดตามกันแล้วกันมีเคราะห์มากวิจัยมากกว่าม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรทําให้เช้าไ ป, ปเปลา่าๆท่านบางันของเราก็เลยสบายเลยนะไอ้บางอย่างถ้ามันยุ่งมากเราก็ไม่ค่อยอยากเรียนเหมือนกันคือคือหนังสือที่อ่านเข้าใจยากที่สุดคือไอ้ท่านถามท่านแก้ท่านเองในสมัยนั้นเนี่ยนะเอามาอ่านนี่มันเข้าใจยากจริงๆเลย มีอยู่เรื่องหนึ่งเช่นวินิจฉัยเวทนาในคัมภีร์อิติวุตกะเนี่ยนะชื่อว่าประมตทีปนีเวทนาสูตรนี่แหละก็มีบทวินิจฉัยเขาถามเขาทวงเขาถามเขาทวงเนี่ยนะขอมาไม่อ่านเลยอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ทวงอะไรก็ไม่รู้ไอ้คนตอบก็ตอบว่าอย่างไงก็ไม่รู้ท่าฟังคำ ถ, า ม, ถามของท่านเราก็ฟังไม่ก็จะออกไปแล้วว่าท่านถามว่าอะไรนะก็ให้เห็นว่าไอ้ทามทวงแบบสมัยก่อนนี่แม่งเข้าใจยากเหมือนกัน ทีนี้มาดูนิพพานบ้างนะธรรมาชาติที่ชื่อว่านิพพานที่ชื่อว่านิพพานเพราะอาจถาว่าออกจากตันหาที่เรียกว่าวานะเพราะคำว่านินินิมันแปลว่านิไม่มีนะนิแปลว่าไม่มีวานะพานเนี่ยนิยมแปลงแผลงแผลงมาอย่างนี้ <c oughs> เออมาจากคำว่านินิแปลว่าไม่มี หรือแปลว่าออกก็ได้วานะแปลว่าตันหาหรือว่าร้อยรัดก็ได้ตันหาตัวที่รอยรัดหรือตัวที่เย็บคุณไพรินท้าเย็บกับรอยรัดเนี่ยไหนเข้าใจกว่าเอาเย็บเนาะแต่ตัวที่เย็บไว้นั่นแหละนั่นน่ะวานะคือวานะตัวนี้เป็นชื่อของตันหาตัวที่รอยรัดหรือตัวที่เย็บอะ่ะนี่แปลว่า ไม่มีไม่มีตันหาเครื่องเครื่องร้อยรัดนั่นเองอะ่ะชื่อว่านิพานก็แผลงพอพานเอวอลแวนเป็นพอพานก็เท่ากับพา น, นะก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วนตัวนี้เนี่ยถ้าตามหลักเขาเอามาต่อกันเขาจะซ้อนพอพานเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็เลยเรียกว่านิพานนั่นไง นิวานะนิพพานแปลว่าไม่มีตันหาเครื่องร้อยรัดไม่มีตันหาเครื่องเย็บนั่นเองนะี่นะตันหามันเย็บอะไรบ้างนะทบทวนอีกครั้งเย็บกรรมและผลของกรรมอย่างหนึ่งเย็บพบต่อพบนะเย็บจากพบนี้ไปอีกพบหนึ่งเอาไว้อย่างหนึ่งนะเย็บระวัง จุติและปฏิโซนที่เอาไว้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะนะพวกนี้จะทำกิจเย็บแบบนี้อันนี้พานก็คือทำให้ไม่มีการเย็บไม่ไม่ให้มีตะเข็บอันนี้อีกต่อไปเนี่ยนะตัดเส้นได้เหล่านี้ออกไปตัดเครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัดเครื่องมัดเอาไว้เนี่ยนะนะตัดตัดออกไปเลยแต่นีพานนั้นเป็นอาสังคตาธรรมนะเป็นธรรมะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง หรืออีกในหนึ่งว่านิพพานนี่เป็นเครื่องดับไฟคือราคะเป็นต้นนะดับไฟกิเลสดับไฟตัณห า, าพูดถึงเรื่องกรรมครั้งก่อนหน้านี้นะกรรมทั้งหลายที่มันให้ผลถ้าเราสังเกตนิดหนึ่งที่ที่ทำไมกรรมมันจึงให้ผลได้ เพราะว่าเจตนาเนี่ยมีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยนะพูดถึง เอายกเป็นทาวารกันนะเช่นทาวารหูอาศัยหูกับเสียงใช่ไหม เ, เสียงนี้ก็ก่อให้เกิดโสตาวิญญาณานี่นธรรมะสามอย่างประชุมการเรียกภัษาภาษ า, าเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปจัจจัยก็อุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบหมายถึงกรรมมพบพบอันนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดชาติอันนี้สงของชาติก็คือชรา ม, มรณนะโสก ป, ปริเทวทุกขโทมณนะัตและอุปาญาต น, นะวัตทุก์ก็จะเกิดจเจริญเติบโตด้วยอาการอย่างนี้แต่ว่าทั้งสายเนี่ยนะทั้งสายเนี่ยถือหลักเป็นเกณฑ์ถ้าทวานหูอะ่ะสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตเจตสิกเหล่านี้คือ เสียงทั้งหมดเลยนะในในสายนี้นะยกเอาเสียงเป็นเป็นหลักไปเลยพูดหนึ่งขณะก็ได้หรือพูดหนึ่งกระแสทวารก็ได้หนึ่งกระแสทวารที่เป็นไปเนี่ยนะ ห, นหนวิถีที่เป็นไปครั้งนึงครับวิถีก็ได้หรือหลา ย, ลายสิบวิถีก็ได้หรือหลายๆชาติก็ได้ระบบมันเป็นอย่างนี้แต่เราพูดหนึ่งทวารคือเน้นทวารหู กกระแสทวารหูความรู้สึกนึกคิดต้องมีเสียงเป็นเป็นอารมณ์เป็นหลักนั่นนะทีนี้หูตัวนี้มันมาจากไหนมาจากกรรมกรรมเนี่ยมาจากไหนมาจากสัทธะตัญหาอ่านะสัทธะตันหาคือตันหาที่มีเสียงเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นเหมือนกับสูตรก็คือเป็นเหมือนกับแม่ใช่ไหมกรรมเหมือนกับพ่อ เนี่ยนะอวิชาก็กลุ่มเดียวกันเนี่ยนะอวิชาก็แม่ด้วยเหมือนกันก็ทำให้มีหูหูเนี่ยอาศัยหูก็มารับเสียงเพราะเสียงเนี่ยอาจจะมาจากเสียงตัวเองก็ได้เสียงจากอูตุหรือจากบุคคลอื่นเป็นปัจจัยมาก็ได้เพราะหูกับเสียงโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นนะจากปัจจัยด้านอื่นๆเข้ามาอีกนะเช่นอ่ปัญจทวาราวชนะซึ่งมีภวังนั่นแหละเป็นปัจจัย โสตวิญญาณเกิดภาษาเกิดเวทนาเกิดพวกนี้ทั้งกระแสมีเสียงเป็นอารมณ์หมดเนี่ยนะพวกนี้มีเสียงเป็นอารมณ์หมดเลยอันนี้พูดทวารหูถ้าทวารอื่นๆนะก็จะทวารตาก็มีสีเป็นอารมณ์ไงทวารจมูกก็มีกลิ่นทวารลิ้นก็มีรสทวารกายก็มีโพธาะ ส่วนทวารใจที่เหลือจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนับเป็นทวารใจทีนี้กรรมทั้งหลายที่มันให้ผลเนื่องจากว่ามันรับอารมณ์ที่เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะอารมณ์กลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารธรรมเพราะมีสังขารธรรมเหล่านี้นี่แหละวัตตะจึงเป็นไปเพราะจิตมารับสังขารสังขารกรรมเนี่ยนะ ที่นี้มันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวิสังขารเนี่ยนะที่เรามานิยมเรียกกันว่านิพานหรืออสังขตะธรรมเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าเกิดจากความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในในสังขารจึงจะแทงตลอดสภาพอันนี้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นในชั้นแรกของผู้ที่จะแทงตลอดในสภาพที่เรียกว่าวิสังขารหรือนิพานหรืออสังขตะธรรมเนี่ยนะอันนี้ได้ก็ต้องพอจากเวทนาก็ต้องเป็นปัจจัยแก่แก่อะไรแก่ศีลสมาธิปัญญาถ้าสามประการบริบูรณ์เมื่อไหร่จะทำกิจแทงตลอดอันนี้ จะมีพวกนี้จะมีนิพานเป็นอารมณ์แทนเนี่ยนะแต่ในชั้นต้นๆก็จะมีพวกนี้แหละมีเสียงมีอะไรทั่วๆไปนี่แหละเป็นอารมณ์แต่พอจเจริญจนถึงว่าระดับสประการเหล่านี้บริบูรณ์ก็จะแทงตลอดสิ่งที่เลยจากสังขารเข้าไปเรียกว่าวิสังขารถ้ามีวิสังขารเป็นอารมณ์บ้างนี่ยมักถ้าสมมติขณะจิตนี้เป็นมักจะให้ผลเป็นผ ล, ละจิตแต่ว่าอันนี้จะไม่ให้ผลปฏิสนธิ ปติส น, นี้จะตัดออกไปแล้วก็ต้องแทงตลอดอริยมรรคอย่างเนี้ยคูณสี่นะต้องสี่ครั้งนะนะแทงตลอดสภาพนี้สี่ครั้งก็จะตัดเชื้อที่จะนําเกิดได้โดยประการทั้งปวงได้นั่นนะจึงจึงจะสงบประงับจากการเกิดได้เพราะะฉนั้นถ้ายังไม่แทงตลอดธรรมนี้เมื่อไหร่นะสังฆตาอสังฆตาธรรมหรือนิพานนี้เมื่อไหร่วัฏตะทั้งหลายก็ไม่มีจบสิ้นเนี่ยนะ แต่ในขณะที่แทงตลอดสังกตตธรรมนี้หมายถึงแทงตลอดถึงทั้งอริยศาสตร์ทั้ง4ประการใช่ไหมอริยศาสตร์สี่ก็คือเนี่ยทุกทั้งหมดเนี่ยคือกองทุกกองทุกเหล่านี้ก็มาจากปัจจัยใช่ไหมมาจากปัจจัยลักษณะนี้ถ้าสำ ROC ตันหาอันนี้อะเพราะเพราะมีธรรมะคือนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยจึงสำ ROC ตันหาด้วยอนุภาพของอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะ อริยมรรคนี้เกิดตันหาก็ดับถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับกรรมก็กลายเป็นกิริยาคือสัก์แต่ว่าเท่านั้นเองคือคือมีนะมีแต่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ให้ผลเป็นเป็นชาติอีกต่อไปอันนี้หมายถึงระดับมรรคที่สี่นะคืออรหัตตมรรคแต่ถ้ามรรคที่หนึ่งก็ยังมีชาติอย่างนี้อีกไม่เกิน7ครั้งที่เป็นมนุษย์นะอันนี้พูดถึงมนุษย์ ถ้าเป็นพระสะกท า, าคามีมรรคที่สองจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินหนึ่งครั้งถ้าเป็นพระอนาคามีไม่ต้องมาปฏิสนที่ในภพนี้เลยเ ใ, ในมนุษย์เนี่ยนะอันนี้เราพูดในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ไม่ต้องมานอนในคันใครอีกแล้วแล้นก็เป็นพระอนาคามีเดี๋ยวอย่าไปเข้าใจผิดว่าท่านไม่มาโลกนี้อีกเหมือนพระโกกาเลกาไปด่าวัปชาท่านอ่ะท่านอ่ ะ, อะพระพุทธเจ้าว่าไม่มาในโลกนี้ทำไมยังมาอีกเนีไงก็ไปเลยทงขนาดนั้นอีก ท่านไม่มาโดยการปฏิสนธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนุภาพของอการอบรมไตรสิกขาที่แทงตลอดพระนิพพานอันเนี้ยจจึงเป็นที่สงบระงับดับทุกข์อันนี้แหละคือพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็คือไตรสิกขาหมายถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอน3 ส, สิ่งนี้ชีวิตของเราเนี่ยต้องสอนไหมคือขอไปต้องทำให้เกิดขึ้นไหเอวัตตานี่นะี พระพุทธเจ้าไม่สอนเราก็สร้างเราเองได้เลยอันนี้สร้างางี้สบายมากไม่ต้องเนี่ยนะสัมวนพูดทั่วๆไปบอกว่าวิธีสร้างนี้ศีล น, นี่ชํานาญมากแลยแก้เนี่ยยากปลดยากมากเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็มาบอกวิธีปลดให้แล้วก็ถ้าปลอดนี้แล้วก็จะมีมีนิพพานเป็นอารมณ์นะก็ปลอดนี้คือวัตตะก็จะสงบระงับธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้ต่อเมื่อมีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์ ถ้าไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะวัฏฏทุกจะจบสิ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าตันหายะเวอาเสสะวิราคานิโรธาสังขารานิโรโทเนี่ยนะหรือว่าอุปาทานานิโรโทหมายถึงว่าเมื่อสำมโรคตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือมาจากคำว่าวิราคะวิราคะตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าวิแปลว่าไม่มีราคะ ราคาก็คือความกำหนัดที่นิยมแปลว่าถ้าสำโรคตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือตันหาที่จะละได้เด็ดขาดจริงๆต่อเมื่อนมักมีนิพานเป็นอารมณ์ก็จึงจะสำโรคสำนวนนะต้องได้กินอย่างอื่นที่ดีกว่ามันจึงจะเลิกกระหายสังขารเนี่ยนะสมมติว่านิพานบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่สุขอย่างยิ่งว่า ง, งั้นเถอะเป็นสิ่งที่พูดอิ่มอย่างยิ่งถ้าได้ลิ้มรสอันนี้เมื่ อ, อไหร่นะมันจึงจะเลิกกระหายในสิ่งนี้ นั้นตันหาก็เป็นที่สางความกระหายก็ได้เป็นที่ดับความเร่าร้อนความกระหายเมื่อแทงตลอดนิพพานเมื่อไหร่จริงจะเลิกกระหายในสังขารแต่ถ้ายังไม่แทงตลอดนะถึงจะพิจารณาเสียงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเบือนาอยู่ขนาดไหนก็ตามก็ยังให้ผลนำเกิดอยู่ดีถ้าไม่ได้ดื่มดื่มธรรมชาติที่ที่สงบระงับอันนี้พ่อองคตว่าธรรมะที่สงบระงับอันนี้ เป็นที่สงบประงับสังขารทั้งมวลถ้าไม่มีนิพพานอย่างนี้นะสงบประงับจากสังขารจะมีไม่ได้แต่เนื่องจากมีนิพพานที่สงบประงับจากสังขารเนี่ยนะสังขารจึงสงบประงับได้นั่นก็หวังใจว่าทุกคนคงจะได้ประสบพบเจอสักวันหนึ่งอนะแต่ถ้าได้วันนี้ก็ก็ไม่ควรจะรออะไร ก็ตั้งกั่โสดาปฏิมักเป็นต้นไปก็ทำให้ได้ปฏิสัมพิธาหมดเลยพระนรนนินได้ปฏิสัมพิธาตั้งกับได้โสดาปสมควรกับเวลาแล้วเนาะ